วันนี้อาตมาก็จะขอพูดเรื่องการให้อาภัยและการเปิดโอกาสโดยจะนำนิทานมาเสนอแล้วก็หาบุมมองจากนิทานเพราะช่วงระยะหลังเนี่ยเรมาเขียนนิทานลงใน facebook ก็ทัคนฟ้าเรื่องกีดอนนิทานและคดีธรรมต่างๆวันนี้ก็จะนิทานที่เขียนใน Facebook น่มาเล่าให้โยมฟังกั เรื่องแรกวันนี้จะเล่าเรื่องบุญค่าของชีวิตนัตลาดสดแห่งหนึ่งสมพรและลูกสาวชี่ออ้อมได้เดินมาซื้อของด้วยฟางเพลิดเพลินอยู่นั้นก็มีเสียงตะโกน ดังล่านขี้ขโมยขี้กโมยย่าหนีแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงวัยกลางคนวิ่งไล่จับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอายุประมาณสิบสองขวบซึ่งเด็กคนนี้ก็หนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายก็หนีไปพ้นถูกจับจนได้ซึ่งผู้ที่จับก็คือ เจโนมแม่ค้าร้านของชำในตลาดซึ่งแกโมโหมากแล้วก็บีบมือเด็กไว้แน่นสมพรเห็นเหตุหการณ์เข้าแ ล, แ, ลและแกมีความมัคุ้นกับเจนหนอมผู้เป็นเจ้าของร้านของชำก็เลยเข้าไปถามว่าเรื่องอะไรกันเจโนมก็ววายบอกว่า เด็กตัวแค่นี้ยังคิดเป็นขโมยมันมาซื้อยาแก้ปวดและยาทาดพอได้ยามันก็วิ่งหนีเลยพูดแล้วก็ตบหัวเด็กไปทีด้วยความโกรธแล้วทำท่าตอบอีกหลายทีถ้าสมพรไม่ห้ามมาก่อนสมพรบอกยาเลยนกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจ่ายค่ายา ให้ก็แล้วกันเท่าไหร่ซึ่งเจ้าของร้านก็ธรรมดาก็ยังไม่พอใจยอยู่มีความโมโหเพราะธรรมดาแกเป็นคนขี้เหนียวแล้วก็ปากจัดเด็กก็ยอมสพรจ่ายค่ายาให้เด็กแล้วก็จูงมาถาม หนูทำไมต้องไปขมโมยของป้าเขาล่ะซึ่งเด็กคนนี้ก็ร้องไห้เสืออื้นมองหน้าพูนพระคุณแล้วก็บอกว่าแม่ผมป่วยครับปวดท้องมากแล้วผมไม่มีเงินจะซื้อยาจึงจำเป็นต้องขอมโมยยาเพื่อไปให้แม่ครับสุภวรสงสารก็เลย ให้ส้มไปถุงหนึ่งแล้วก็บอกว่าที่หลังหนูอย่าไปขมโมยของใครนะถ้าไม่บีเงินก็ให้มาขอนะนับเย็บผ้าอยูแ่แถวบริเวณนี้เองการขามโมยของเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกระทซึ่งเด็กคนนั้นกข็ขอบใจเป็นการใหญ่ แล้วก็กลับบ้านไปลูกสาวชื่ออ้อมพอมาถึงบ้านก็ถามแม่ทำไมาต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้ด้วยทั้งที่รู้วเป็นขี้ขโมยสมพรก็บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีกระตันยูตอต่อแม่แต่ตัวแม่เองเคยเห็นเด็กคนนี้ขายของ คือหาขนมมาขายซึ่งแม่เองก็ซื้อหลายครั้งแล้วแต่เด็กเขาีจำแม่ไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่แม่จะต้องช่วยเหลือนั่นแหละลูกยังไม่รู้อะไรเราแม่อาจจะมองคนด้วยการขี้โมยเป็นคนที่ไม่ดีพาอเด็กที่รู้จักท ร, รมาหากิน ช, ช่วยเหลือแม่หาเงินจากน้ําพักน้าแรงตัวเองเนี่ยยอ่อผิดคุณค่าของเงิน ถ้าเขาไม่มีฟานจำเป็นเขาจะไ ม, จะไม่จะไม่ทำแบบนี้เลยเพราะผ่านจะไปบีบคั้นเขาซึงต้องทำและสักวันวันหนึ่งลูกจะเข้าใจที่แม่พูดสองแม่ลูกคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ไม่คุยอีกเลยจนเหตุการณ์ล่วงเลยไปอีกยี่สิบปีซึ่งตอนนี้อ้อมมาโตเป็นสาวแล้ว สมพรก็แก่แต่เครื่องเย็บจักเหมือนเดิมตัวอ้อมเองก็เรียนจบปริญญ า, าตรีที่โรงเรียนราชพัฒแห่งหนึ่งในจังหวัดแล้วก็ได้งานทำอยู่โรงงานแห่งหนึ่งก็มีเงินเดือนพอสมควรพอเลี้ยงดูครอบครัวได้ซื้ออออยู่แม่สองคน ตอนหลังอ้องก็สงสารแม่เห็นว่าทำงานเย็บจักรส่งเธอเรียนมาแ20ปีละบากมากก็เลยให้แม่หยุดพักแล้วเธอก็หาเลี้ยงคนเดียวแต่ในความที่สมพรเป็นคนขยันเป็นคนใจบูรุษทานถึงปิดร้านเย็บจักรไปแล้วก็ยังช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อนบ้านอยู่เสมอแลวอยู่มาระยะหนึ่ง สมพรก็มีอาการปวดหัวตอนแรกคิด่าปวดหัวธรรมดาเพราะว่าไปซื้ อ, อยาไล้หมอตีมากินแล้วก็หายแต่ไปอยู่อีกสักพักหนึ่งก็เป็นอีกจนอ้อต้อพาแม่ไปหาหมอไปหาหมอหมอให้ยามากินแล้วก็กิ น, นระยะมันก็หายแต่อยู่อีกสักเดือนนึงก็เป็นอีก แต่เป็นคราวนี้รุนแรงมากอ้อมก็พาแม่ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งซึ่งหมอตัวเอสเทเรดูแล้วจึงรู้ว่าสมพรเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองจึงบอกอ้อมว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือทันสมยัยจะต้องจะต้องไปรักษาที่กรุงเทพอ้อมก็รีบพาแม่ไปรักษาที่กรุงเทพซึ่งมีเครื่องมือทันสมยัยกว่า ไปถึงหมอก็ตรวจอย่างละเอียดก็รู้ว่าเป็นเนื้องอกในสมองต้องรีบผ่าตัดด่วนถ้าผ่าตัดช้าเนื้องอกจะไปทับเส้นประสาททำให้อัมาพาตได้และอาจทำให้ถึงเสียชีวิตได้ต้องรีบา่าตัดทันทีแต่การผ่าตัดนี้ก็เสี่ยงเพราะว่าโอกาสทีค่คนไข้จะตายก็สูง เรกออย่างหนึ่งค่าผ่าตัดก็แพงมากเฉพาะค่าผ่าตัดก็เป็นแสนแล้วแล้วค่ายาค่าดูแลรักษาตัวระหว่างพักฟื้นอีกซึ่งหมอตีราคาแล้วข้ามาณห้าแสนบาทอ้อมแ้าเป็นลมพรลําำพังเธอกลบแม่เนี่ยมีเงินเก็บประมาณแค่ไม่ถึงห้าหมื่นบาทแต่เธอไม่มีทางเลือกก็ต้อนแม่เข้าผ่าตัดทันที ซึ่งการผ่าตัดก็ลุ่่วงมาได้ดีสมพรก็ปลอดภัยแต่มีเรื่องที่แปลกใจก็คือค่ารักษาเพราะว่าค่ารักษาเนี่ยไม่ถึงพันบาทซึ่งสร้างความแปลกใจก็อ้อมมาก ยิ่งเข้าไปถามนางพยาบาลว่าเพราะเหตุไรนางพยาบาลก็บอกว่านายแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยสั่งไม่ให้เก็บเงินจากคนไข้ซึ่งโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลก็แปลกใจยอยู่เพราะอะไรกันซึ่งทางหมอหมอเองรับผิดชอบค่าจ่ายทั้งหมดแล้วก็ฝากจดหมายมาให้ฉบับหนึ่งด้วย แล้วก็ย้ำย้ำว่าจะต้องถึงมือของคนไข้แล้วพอฝากเสร็จหมอผู้ผ่าตัดก็เดินทางไปประเทศอเมริกาเพื่อไปเรียนต่ออีกสมพรก็พักฟื้น อ, อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งหมอก็ให้กลับบ้านกลับบ้านไปรักษาตัวต่อได้พอถึงบ้าน แม่ลูกคู่นี้ก็เปิดจดหมายออกมาอ่านเนื้อความในจดหมายมีว่าข้าพเจ้านายแพทย์เดชาทองวิจิตได้ออกบินค้ารักษานางสมพรผู้จันค่าผ่าตัดศูนย์บาท ค่ายา0บาทค่าอื่นๆ0บาทป อ, อหมายเหตุได้รับค่าผ่าตัดและค่ายาแล้วเมื่อ20ปีก่อนด้วยยาทาด1ขวดยาแก้ปวดและส้ม1ถุงขอให้คุณอาสมพร จงรักถนอมสุขภาพเพื่อมีร่างกายแข็งแรงและหายไวๆด้วยครับจากกระผมในแพทย์เดชาทองวิจิตซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงด้วยความซาบซึ้งใจเรื่องนี้จะมีจุดสอนอยู่คือการให้โอกาสและการให้อภัยพ่อหมอเดชาเนี่ยตอนเป็นเด็กขโมยยาทาบ เพื่อไปช่วยเหลือแม่แต่ถ้าเกิดสมพรไม่เจอเข้าหรือหรือไม่มีใครช่วยเหลือขนาดนั้นคือทําผิดแล้วเดีย๋ยไม่มีคนให้กำลังใจมีแต่คนพูดซ้าเติมให้ผิดหนักเข้าไปอีกก็อาจจะไม่มีหมอเดชาก็ได้เพราะว่าจุดนั้นอะจุดพลิกผันคือ สมบูร์ให้กำลังใจคือเด็กน่ทราบซึ่งในบุญคุณคือเป็นคนกระดานอยู่ก็เลยกลับเลยก็เลยมีความรู้สึกต้องมีคนดีชดเชยสังคมเพื่อล้างความผิดที่เคยทำไว้ซึ่งในสังคมก็มีมากคนอย่างหมอเดชาและคนอย่างสมพร ช่วยผู้อื่นแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยมีโอกาสได้สร้างความดีแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องพระใจสิงเรื่องนี้เกิดในที่ประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัดบูเซ็นทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นสมัยเมื่อ200กว่าปีก่อนซึ่งเป็นชนบทเล็กๆ ผลทางก็ธุรกันดานมีภูเขาขวางกัน้นการคมนาคมก็ไม่สะดวกชาวบ้านเนี่ยจะไปในเมืองทีนึงก็ต้องเดินเลาะหน้าผาซึ่งอันตรายบังคาฝนตกหรือหิมะลงก็ทำให้ลื่นแต่ละปีจะมีผู้คนตกไปตายมากมาย พระพิสูรรูปหนึ่งชื่อว่าซินไกได้เห็นความยากละบากของชาวชนบทแห่งนี้พระซินไกก็อยุ ป, ประมาณยี่สิบตนตนท่านมีความมุ่ง ม, มั่นมากท่านสงสารชาวบ้านท่านก็เลยตั้งปรียานะ ว, ว่าเราจะต้องเจาะภูเขาลูกนี้ให้ได้ เพื่อทะลุกันพอทะลุกันแล้วเนี่ยชาวบ้านในชนบทนี้ก็จะสามารถไปในเมืองง่ายเพราะว่าที่จริงแล้วเมืองเมืองนั้นไม่ไกลเท่าไหร่แต่แต่ว่าเพอเออต้องอ้อมเพราะมีภูเขาวขวางกัน้นทําให้ไปไกลมากบางครั้งคนป่วยเนี่ยตายระหว่างทางก็มีไม่อาจไปหาหมอได้เมื่อคิดได้ตรงนั้นก็นกนเลย ตั้งใจจะทจริงๆก็เลยบอกชาวบ้านแ่านั้นว่าอาตมาจะอยู่ที่นี่แล้วจะขุดอุโมงค์ให้เชื่อมก่อนให้เชื่อมต่อกันชาวบ้านนอกจากไม่อนุโมทนาแล้วยังหาว่าถ้าสินไก่ในบ้ายคือเพี้ยนไปแล้วคือจะจะขุดอุโมงค์โดยลำพังซึ่งเขาลูกนี้เนี่ยยาวเกือบกิโล ประมาณเก้าร้อยเมตรแต่ท่านพูดแล้วก็ทาจริงนะเราจะได้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกทุกวันวันแล้ววันเล่าตื่นเช้ามาท่านก็บินธบาทพอฉันอาหารเสร็จท่านก็ลงมือตอกเอาค้อนกับสิวตอกทันทีเหนื่อยก็พักกลางคืนก็ตอกต่อ ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนเป็นเครื่องอยู่ทำได้ฝ่ามุ่งมั่นโดยไม่ไม่ฟังเสียงกดวิจารณ์ว่าท่านบ้ามีปัญหาทางจิตวันแล้ววันเล่ากาลเวลาผ่านไป30สิปีภูกขาวลูกนี้ก็สามารถทะลุ ก, กันได้ จนสำเร็จเพราะความมุมั่นของคนคนเดียวแต่มีเรื่องเล่าว่าก่อนที่ทอุโมงค์จะเสร็จสักสองปีได้มีสาว บ, บรายหนุ่มซึ่งสืสบสาะหาพระสินไก่มาหลายปีจึงได้รู้ข่าวว่าอยู่ที่นี่ก็เข้ามาถามว่าใช่สินไก่ ที่เคยทำงานสมัยหนุ่มๆเน่ยเคยเคยทำงานรับใช้ขุนนางผู้หนึ่งใช่หรือไม่ซึ่งพระสินไก่ก็บอกว่าใช่สมุไรก็รู้ว่าถามไม่ผิดตัวแต่แปลกใจว่าคนที่ตัวตัวเองตามหาเนี่ยกลับอยู่ในคาบของพระพิสุ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่มหาชนขอย้อนไปเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนตอนที่สินก่ ย, ยังไม่บวชได้ทำงานรับใช้อยู่บ้านขุนนางผู้หนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็พาเ ป, เป็นชู้กับภรรยาของขุนนางจนได้ เพราะสินไก่เป็นหนุ่มหน้าตาดีพยายามขุ่นางเกิดชอบขึ้นมาแต่ในสุดก็โดยขุนนางจับได้ซึ่งขุนนางโกรธมากแล้วที่จะฆ่าสินไก่จึงถือดาบสบปลายไล่ฟันสินไก่ก็ปกป้องอุตรุดก็คือป้องกันตัวเองสุดชีวิตเหมือนกันก็เลยไปจับ อะไระก็ตีกระหน่าแล้วก็แล้วก็ทำให้ขุนานางเนี่ยตายพอขุนานางตายแล้วก็ภรรยาของขุนานางก็ชวนชวนกันหนีหนีมาอยู่เป็นสามีภรรยากันสักพักนึงก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าภรรยาของขุนอ า, ายุมากกว่าหลายปี แล้วเริ่มมีความสึกสำนึกผิดเพราะว่าได้ฆ่าคนตายความรู้สึกสำนึกผิดเนกัดก่อนจิตใจมากสินก่ไม่มีทางเลือกขณะนั้นคือทุกข์มากเลยตัดใจเลิกกับภรรยาที่หนีมาด้วยกันแล้วก็แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นนักบวช แล้วก็ตั้งใจจะทำความดีชดใช้ในบาปที่ตัวเองก่อตลอดชีวิตทึ่นั่วัดนั้นก็อยู่ใกล้ๆเบริเวณที่ที่ขุดอุโมงค์นั่นแหละพอท่านําท่านก็ทำจริงเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยสามารถลบล้างบาปของจิตใจท่านได้แล้วสมุไรหนุ่มพอรู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยอยู่ในเพศของบัปประชิต ก็อึดอาจใจมากพระสินไกยซึ่งตอนนี้เป็นหลวงพ่อแล้วพ่ออายุประมาณห้าสิบกว่าก็ได้บอกกับสมุัยว่าอัตมาเนี่ยขอขุดอุโมงค์ให้ทุกการให้เสร็จก่อนพอเสร็จแล้วก็จะมอบศีรษะให้เพื่อใช้นี่ขอเธออย่าได้กังวลเลยคือขอผัดผ่อน สลายหนุ่มได้ฟังดังนั้ น, น, นก็ยอมผัดผ่อนด้วยแต่ก็เฝ้าอยู่นะไม่ได้ไปไหนคือกลัวหลวงพ่อสินก่จะหนีแต่ละวันก็ได้เสียงป๊อกป๊อก๊อกทุกวันคือท่านใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกันหมดมีหน้าที่อย่างเดียวคือขุดอุโมงเจาะอุโมง สชิญนาหนูเห็นเข้าก็มีความสุขอยากจะช่วยใหม่ๆก็ระแวงกลัวถูกรอบทำร้ายแต่เห็นข้อวัดปฏิปทาของท่านและรู้สึกว่าไม่ได้เป็นภยัยเพราะว่าเขาใกล้ท่าแล้วเย็นก็เลยไว้ใจก็เลยเป็นลูกมือช่วยกันขุดอุมโมงค์พอสองคนช่วยกันขุดงานก็เสร็จเร็วขึ้นวันแล้ววันเล่าจนอุมโมงค์ทะลุเชื่อมกัน พออุโงทะลุเชื่อมกันได้ปุ๊บหลวงพ่อสินไก่ก็สวดมนต์แล้วก้มศรีรษะให้หนุ่มสบุรไยบอกถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้นี่เจ้าสบุรายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้แลวรีบกราบหลวงพ่อสินกก่ใหญ่โหลวงพ่อผมเ่ยจะฆ่าอาจารย์ผู้มีบุญคุณได้ยังไง ซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงได้ดีไม่มีการล้างแค้นมีการให้อภัยเพราะว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวตัวเองได้ถ้าคิดจะเปลี่ยนและมีผู้คนเปิดโอกาสให้สินแกยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการทำความเพียรเป็นสิ่งที่ทาได้ยากการที่คนคนนึงเนี่ยจะขุดอุโมองค์ได้มือเปล่า ซื่อโมงเป็นหินนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดินต้องใช้เวลานานถึงสามสิบปีซื่อคือมีปฏิธานที่ยิ่งใหญ่ไม่กลัวความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆแล้วทำสำเร็จได้ด้วยซึ่งคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกคนนั้นต้องสวมหัวใจสิงถ้าใครทำพํมเพียยก็นึกถึง นิทานเรื่องนี้ได้คงหาไม่มีอีกแล้วที่จะมาขุดอุโมงถึงสามสิบปีทึกงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยจังหวัดบูเศนก็มีอุโมงอันนี้อยู่มีหลักฐานตอนแรกก็ใช้แรงงานของของพระสิงไก่แต่ตอนหลังก็ทางรัฐบาลก็ไปทำให้ใหญ่ขึ้น การคมนาคมสะดวกขึ้นซึง่งแต่เรื่องที่อันมาเล่าเนี่ยก็มีแง่คิดเวลาเหลือแล้วเล่าอยู่เรื่องนึงก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มลูกเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ากาละเป็นคนเกเรคือคนไม่เอาทานเป็นคนตามใจตัวเอง เศรษฐีคนนี้ก็คืออนาบิทาาิกาเศรษฐีคนดังของของพุทธการเสด็พุการเนี่ยอนาบิทิกาดังมากอุปถัมป์อุปถ า, ากพระพุทธศาสนาให้เจริญเรืองแล้วก็เป็นภริยาบุคคลด้วยเต่ทุกฝ่ายพี่ลูกแม่เอาทานเศรษฐีก็หาอุบาย อยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีก็เลยให้ไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแต่ฟังเฉยๆเนี่ยคงไม่ได้ก็เลยต้องจ้างออการะลูกไปฟังธรรมจาก พ, กพกระพุทธองค์เนี่ยทุกวันนะเดี๋ยวพ่อจะให้ค่าจ้างพอฟังเสร็จก็มารับเงินซึ่ง หนุ่มกาละเนี่ยถึงเป็นลูกเศรษฐีจริงแต่เขามีความโลภอยู่อยากได้เงินพอตกเย็นคุยฟังธรรม ท, ที่ที่พระพุทธองค์แสดงแต่ไปนั่งแอบแอบใต้ต้นไม้นั่งหลับเคิร์มเคิมหลับไปพอฟังเสร็จก็กลับบ้านมารับเงินขอเงินจากพ่อละก็ทำแนี้ทุกวันจนมาระยะหนึ่งเศรษฐีเห็นว่าไม่ได้เรื่องก็เลยบอกลูกฟังธรรมแล้วเนี่ย ให้จำมาบอกให้พ่อฟังว่าพระพุทธองค์แสดงธรรมเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวพ่อจะให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจะรู้แล้วตั้งใจฟังมาเล่าให้ได้นะพอได้เงินเงินเพิ่มขึ้นหนุ่มกาละก็ต้องทำตามคือครั้งนี้ไปฟังธรรมก็ตั้งใจฟังอย่างมากคือตั้งใจจะฟังและจำไม่ได้ทุกคำพูดของพระพุทธเจ้านะ่ะเพื่อจะบอกพ่อ ผู้ดองค์ก็รู้ก็เลยตั้งใจจะเทศให้กาละฟับฟังเป็นผู้เดียวก็เลยทําบัรดาลให้ฟังทีไรก็ลืมฟังทีไรก็ลืมอยู่นั่นแหละแต่ตอนจบเนี่ยไปแปลมาหนุ่มกาละเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจําทุกบทที่พุ้ดองค์แสดงได้ ตอนนี้จิตเปลี่ยนแล้วความคิดอยากได้เงินของพ่อเนี่ยไม่มีอีกแล้ววันนั้นกลับบ้านไปก็ไม่ยอมไปขอเงินพ่อเลยแล้วตอนเช้าก็ยังนิมนต์พระพุทธองค์กับกับพิสูจน์ในวัดมาฉาญประทหารเช้าที่บ้านอีกโดยถือบาทนนำหน้ามาแล้วก็ดูแลเศรษฐนาะต่างๆให้โดยตัวเองซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับ พูดกันพ่ออย่างมากก็ถามว่าลูกวันนี้ไม่เอาค่าจ้างเหรอลูกชายก็ไม่พระพุทธองค์บอกว่าต่อไปนี้ลู ก, ลกของลูกของท่านไม่เอาค่าจ้างแล้วตอนนี้เรามีมีอริยทรัพย์ภายในค่าจ้างนั้นเป็นทรัพย์ภายนอกซึ่งไม่เที่ยงซึ่งทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่เที่ยง เรื่องนี้ก็สรุปว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เพราะจิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนเพราะจิตเปลี่ยนคนเราสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ถ้าคนเปิดโอกาสให้วันนี้อามาเห็นแล้วพูดมาก็สมควรกับเวลาเดี๋ยวท่องก่อนยอมฟังก่อนหนึ่ง ก่อนก่อนโ ล, โลกโรรอดได้เพราะกระดันยูของหลวงพ่อพุทธทาตุเพราะคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีบุญคุณต่อกันแท้ตังนั้นเลยแม่าจะเป็นธรรมชาติพ่อแม่เพื่อนหรือสิ่งต่างๆเนี่ยรู้แต่มีบุญคุณต่อกันเราควรจะอยู่ด้วยความรักใคร่สามัคคีต่อกันอันบุคคลกระดานยูรู้คุณโลก อุปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผักหรือหญ้าปลาหรือไม้รู้จักใช้อย่าทำลายให้หายไปอันหนึ่งคนต่อคนทุกคนนี้ล้วนแต่มีคุณต่อกันนั้นเป็นชะไหนมองให้ดีดูให้เห็นเช่นนั้นซ้ายโลกรอดได้เพราะกระตันอยู่รู้คุณกันประเทศชาติาศาสนา มหากษัตย์รวมเป็นอัตภาพไทยใหญ่มหันรอดมาได้พอลักไข่อย่างผูกพันเพราะกระตันยูมีที่ใจเอ๋ยขอฝัาสุขความเจริญธรรมจงมีกัญาติโยมทุกท่าน